ใใใใเราจะรีบไปฟังเคสซดี oh. ทีคะนิกายเดือนลองเกสเด วันนี้เป็นแคสซีศ์กราบนักศงกษารครูไม่ใหญ่ที่เคารพยิ่งผมเป็นนักเรียนอนุบาลฝันในฝันวิทยาสมัครใหม่เพิ่งจะส่งใบสมัครเมื่อปลายปีพุทธศักราช2549นี้เองครับผมชอบและชื่นชมรอยยิ้มของครูไม่ใหญ่ <S <S <S จะกการได้รับชมดี c ซีแล้วก็รับฟังด้วยความสนุกสนานเต็มใจเพราะปะกติผมจะไม่ค่อยชอบฟังใครเพราะมีแต่คนชอบฟังผมผมได้ฟังแคสตดีของนักเรียนท่านอื่นๆหลายเรื่องจึงสนใจอยากส่งเรื่องของตนมาบ้างผมเป็นคนเชียงใหม่ใหม่เสมอ ไปอยู่ตรงนั้นก็ใหม่ทั้งนั้นนะเชียงใหม่จะอยู่ไปกี่พันปีก็เชียง<า>ใหม่ใหม่เสมอโดยกําเนิดแมครูผู้ใหญ่เนี่ยไปอยู่เชียงใหม่นานกว่าอยู่วัด ร, ระธรรมกายอีกเนี่ยแต่นั้นนี่นะถ้าเท่าบกห่วงวัดพ ร, ระธรรมกายเด้อแล้วคุณยายแล้วก็ เนอไม่ใช่เดอร์เนอมันกระเดียดไปทางนิ้มน้ำโคง <S <S คุณพ่อเป็นนายดาบตำรวจนี่ไม่ใช่กำพล้าในกำดาบเลยอดีตเด็กเลี้ยงกระบาวธรรมดาคนหนึ่งพบรักและแต่งงานกับคุณแม่ซึ่งเป็นหญิงในตระกูลสูง หลานสาวเจ้าปกครองนครเชียงใหม่ผมมีพี่น้องหกคนเป็นชายสามหญิงสามคนพี่สาวเสียชีวิตไปหนึ่งคนผมเป็นลูกชายคนเล็กคุณพ่อและคุณแม่ท่านเลี้ยงดูพวกเราเป็นอย่างดีในทุกด้านทั้งในเรื่องการอบรมบ่มนิสัยโลกฝังศิลธรรมโดยท่านจัดสอนในหลกลูกตั้งถือศีลทาทุกคนอุษาทืก โดยให้ดูท่านทั้งสองเป็นตัวอย่างถูกต้องเลยบิดามารดาคือครูของบุตรนี่ต้องเป็นตัวอย่างดีๆให้ลูกดูซึ่งทั้งคุณพ่อและคุณแม่จะมีศีลห้าเป็นปกติแล้วมาถึงวันพระท่านจะถือศีลอบโบสิสดเพิ่มขึ้นด้วยสาธ<า><า>ุนี่<อ>ทั้งหลอ่อทั้งสวยเลยพบชาติต่อไปท่านกาจะสอนเด็กลูกลูกตักบาตอนเช้าที่นาบ้านทุกวันนี่คือนาบ้านจะมี โรงทานเล็กๆมีโต๊ะหนึ่งตัวมีขันใส่ข้าวตักบาตจนกว่าพระจะยอมแพ้ ค, คือพระหมดไปแล้วแต่ข้าวยังเหลือทำให้ผมได้มีโอกาสตักบาทเป็นอาหารพื้นบ้าน ค, คือข้าวเหนียวนึง่งหอมใบตองหอมกรุ่นอร่อยอนึกเลยหิวเด้มีกับข้าวหรือมีกล้วยน้ำว้าสุก เป็นประจำโดยได้ใส่บาทพระสุปฏิปันโนคือหลวงปู่มั่นและคณะรวมแปดรูปทุกวันข้าวเหนียวนึ่งที่ใส่บาทนั้นหอมกรุ่นอร่อยมากนะครับ ห, หลังใส่บาทแล้วผมก็ชอบรับประทานเป็นประจำเลยผมจัดได้ว่าเป็นลูกข้าวนึง่ง ้าได้ยังประทําทานชานั้นจะเพิ่งกินกินข้าวหนึ่ง <c oughs> จะเพิ่งกินข้าวหนึ่ง <c oughs> ถ, ถ, ถูกก่อ <c oughs> นอกจากนี้คุณพ่อยังเลี้ยงเป็ดไว้สี่ร้อยตัวเ <c oughs> มื่อมีไข่คุณพ่อก็จะเก็บไข่มาแจกคนยากจนด้วย <c oughs> โอ้สุดยอดเลยท <c oughs> ัาคุณพ่อแม่มีอัธยาศยัยใจดีเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่เสมอ แล้วก็ไม่ดื่มเหล้าไม่โซบะรีเป็นคนซื่อสัตย์เสียสละชอบไปวัดและชอบสวดมนต์นั่งสมาธิอยู่สเสมอส โ, โอ้โหนี่บุคคลอุดมกติเลยแหละนี่ที่โลกต้องการฟังอีกทีหนึ่งนี่ใจดีเ อ, อื้อเฟื้อเผื่อแผ่อยู่สเสมอเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังกันนะจ๊ะและไม่ดื่มเหล้าไม่โูบะรีเป็นคนซื่อสัตย์เสียสละชอบไปวัด และชอบสวดมนต์นั่งสามาธิอยู่เสมอ mm hmm. นี่จ้ะนี่ให้โลกใบนี้ได้ยินได้ฟังกันสะมัง่งครับจริงทำให้ลูกๆได้นิสัยนี้มาด้วย mm hmm. พี่น้องผมทุกคนไม่มีใครดื่มเหล้าหรือสูบบุหรีเลย mm hmm. อีกทั้งเรียนหนังสือเก่งไงทุกคน mm hmm. ผมเองเนี่ยจะ mm hmm. หาว่าคุย mm hmm. นี่อ่านหนังสือออกตั้งแต่อายุสามขวบอือ mm หือ hmm. ไม่เรออาเอา e น c y โคโปีเดียมาอ่านว่าจากการแอบเรียนกับพี่ๆที่บ้านโด้คุณพ่อคุณแม่จ้างครูมาสอนพิเศษทั้งครูคนไทยและครูต่างชาตินี่นี่หนไหมจ๊ะและท่านอาจารย์ท่านก็ขนขวายไฟศึกษาพอมีปัญญาประมีสั่งสมมาก็ขนขวายนี่สามขวบยังอ่านหนังสือได้ ผมจะมีนาที่อ่านนิยายในหนังสือไทยราดให้คนงานฟังทุกวัน oh. ครูปิยใยอ่านละมกียนได้ตอนเจ็ดขวบเพราะว่าคุณปู่คุณย่าเ <Yeah. S 1> จ้าของโรงเรียนท่านมีลูกหลุนเอาไวไ้เป็นรางวั <Yeah. S 1> ลเราอยู่กันสามคนกับสิบสองตัว <Yeah. S 1> เอ้ยยี่สิบสี่ตัวสองสี่ <Yeah. S 1> <24. S 2> yeah. คือมีคนอยู่สามคนในโรงเรียนนั่นตอนกลางคืนเนี่ยแล้วก็สุนัขย4สิบสี่ตัวตอนกลางคืนเราก็นอนอยู่คนเดียวพอตกดึกเข้ามาอีกสี่ห้าตัวเอาหหนุนมันมังมันหนุนละมุนไปอ่านลำเกียนออกตอนเจ็ดขวบอ้ลูกพลุนนี่แหละไม่ตอนนี้นึกไม่ออกมาลูกลักษณะเป็นยังไงนะ วันนั้นเจอติ่มซำ อ, อะไรมันน่ากเลิศได้เนะี่ยอาตลงอินทตอร์มิชันนี่ไหมจ๊ะถูกต้องนะวเ่าผมเรียนชั้นป .1 ถึงป .4 ป .1 ผมก็ได้ที่นหนึ่งป .2 ออก็ที่1นิป .3 ก็ที่1และป .4 ก็ที่1คือที่หนึ่งทุกปีแต่เรียนพาร ช, ชั้นถึงสามชั้น และด้วยควาที่ผมสอบได้คะแนนสูงมากจึงได้รับคัดเลือกให้เข้าเรียนโรงเรียนตัวอย่างของจังหวัดต้องมามีการสอบคัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยผมก็ได้ที่นึ่งสายวิท<อ>ยาศาสตร์ม่ใชวิทยาธรนะสายวิทย์ <laughs> ผมเลือกเรียนที่จุฬาคณะวิศวกรรมศาสตร์<อ>และท่านผู้นาในยุคนั้นก็นําผมไปเลี้ยง เป็นลูกไทยหนึ่งในสิบห้าคนที่ไปอยู่บ้านเด็กอัจฉริยะ oh. อนี่ไม่ธรรมดาแล้ว oh. เคสนี้ไม่ธรรมดาเลยไหมจ๊ะครับนี่สามขวบอ่านหนังสือออกแชมป์มาตลอดเลยได้พาชันด้วยเลย็ ก, เกว่ารักษาที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งมาเลย oh. แล้วเป็นหนึ่งในสิบ้าคนที่อยู่บ้านเด็กอัจฉริยะชีวิตในมหาวิทยาลัยนี่เองผมได้รู้จักเพื่อนครุฑพี่ คนน้องมากมายซึ่งท่อมาหลายๆคนก็กลายมาเป็นบุคคลสำคัญของประเทศที่นี่ผมใช้ชีวิตอย่างเต็มที่ทั้งทางด้านการเรียนและกิจกรรมโดยไม่มีเรื่องเล่าและบุหรี่เช่นเดิมไม่น่าเชื่อแต่ก็เป็นความวาจริ ง, <า>งผมจะเป็นคนมีอารมณ์ดี อยู่เสมอใช้ชีวิตอย่างมีความสุขโอ้นี่เป็นนิสิตในอุดมกติเลยไม่มีเล่าไม่มีบุหรี่อารมณ์ดีมีความสุขไม่มีอารมณ์จะทุกข์ใจเลยไม่มีอารมณ์จะทุกข์ใจเพราะมีอารมณ์ดีอารมณ์ดีมีอยู่ในตัวของเราแต่แต่เราจะหยิบเอาไปใช้แท่นั้นเหมือนกับข้าวอยู่ในตู้เกับข้าวในตู้เย็น และเเปิดแล้วก็ไปหยิบออมาแม้จะมีความทุกข์เข้ามาบ้านเหมือนคนอื่นๆแต่ผมจะมีหลักคิดในใจคอยเตือนเสมอนั่นคือฟังให้ดีทั่วโลกนักเรียนอุบาลฝันวิทยาทั่วโลกมีหลักคิดในใจคอยเตือนเสมอนั่นคือคาสอนของบิดามารดา mm. คุณพ่อคุณแม่ทำให้ผมจัดแบ่งเวลาทั้งการเรียนกิจกรรมกีฬาได้ลงตัว ทำให้ชีวิตประสบความสำเร็จในหลายๆด้านอาทินได้รับคัดเลือกเป็นหัวหน้านิสิตด้เสือสามารถด้านกีฬาในล่มฟุตบอลและบาสเกตบอลในช่วงจะเป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยหลังเรียนจบก็ได้รับทุนการศึกษาจากรัฐบาลไทยไปศึกษาด้านวิศวกรรมอีก4สาขาที่ประเทศอังกฤษเยอรม น, นี และสหรัฐอเมริกาดีไม่ใช่แค่ธรรมดากันแล้วแหละนี่ทุกประเทศที่ได้ไปสัมผัสล้วนแต่ไมได้วยประสบการณ์ที่ดีต่อชีวิตทั้งส่วนตัวและส่วนรวมในเวลาต่อมาอย่างมากมายมีผู้ใหญ่หลายๆท่านให้ความสนใจในตัวผมอยู่ไม่น้อยในความรู้ความสา ม, มารถในการทำงานต่อส่วนรวม จึงทายผมได้รับมอบนิติศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์จากมหาวิทยาลัยศรีประทุมและในขณะเดียวกันกับสำรัจการศึกษาดุษฎีบัณฑิต ด, ด้านการบริหารสาธารณะจากประเทศฟิลิปปินส์ oh. สุดยอดจริงๆเลยองสักินข้าวหนึ่งก็อารมณ์ดีนะส่วนในด้านการทางานได้เริ่มงานครั้งแรกที่สานักงานไฟฟ้า กรมโยธาสามเสนจับงานแสงสว่างก่อนเลยเป็นผู้ให้แสงสว่างก่อนเลยนี่ไม่ใช่ตํารวจตํารวจตําแหน่งผู้มือการไฟฟ้าภาคเหนือเป็นผู้ให้แสงสว่างอีกชีวิตการงานเต็มไปด้วยความสุขผมก็ยังคงเป็นผมคือไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่เช่นเดิมสาธุ และยังคงทําบุญตักบาตรอยู่เสมอสาธ<า>ุโอยจะให้ภาพนี้สูนหายไปจากประเทศไทยเลย<ม>ภาพการตักบาตรและช่วงนี้ผมได้จัดพิ ม, รรมพ์หนังสือมงคลยีวิจจำนวนหนึ่งแสนเล่มเผยแผ่แก่ผู้ตายบารรดาบัญชาตลอดจนบุคคลทั่วไปแดยความตั้งใจที่อยากจะเห็นคนเป็นคนดีตามหลักธรรมของพระพุทธองค์<ม>และตามคาสอนของพ่อ สร้างระบบไฟฟ้าแรงสูงขึ้นทั่วประเทศ oh. นี่ให้แสงสว่างไปทั่วประเทศแล้ว oh. อีกทั้งนําไฟฟ้าเข้าไปตามวัดต่างๆ mm hmm. กว่า9ก้ารดสิบหนึ่งวัดโอ้โห <ad> oh, ให้แสงสว่างไปถึงในวัด mm hmm. และช่วยบํารุงซ่อมแซมวัดอีกด้วย mm hmm. ด้วยความที่รักในพระพุทธศาสนา mm hmm. อย่าลืมเ mm hmm. ราเป็นชาวพุทธต้องรักพระพุทธศาสนา เพราะกาจะบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าในยากมากคำสอนนี้เป็นความรู้สากลมีไว้เพื่อทุกคนในโลกไม่ใช่เพื่อใครคนเดียวหรือหมู่เดียวทีมเดียวนะจ๊ะต่อมาได้เริ่มเข้าสู่วงการเมืองระดับประเทศตั้งแต่ปีพุทธศักราช2512ในฐานะผู้แทนรัษดรจังหวัดเชียงใหม่ mm. เชียงใหม่อาสมัยติดต่อกัน เราก็ได้รับตําแหน่งสำนักงานทางการเมืองหลายตําแหน่งอาทิเช่นตตรัฐมนตรีประจำสานักนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วย ก, วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาวิทยาลัยเป็นต้นนี่ก็จะเป็นต้นทัพพูดถึงกิ่งกา้านและกา้าแทบเหมาหมดเลยช่วงชีวิตนี้การเป็นข้าราชการการเมืองผมให้ประสบะการณ์อันทรง ค, คุณค่ามากมายจริงๆที่ผมกลายเป็นที่ปรึกษาของนักการเมืองมาหลายสมัย จะได้รับยกย่องว่าเป็นครูการเมืองถูกเชินไปปริยายในทั้งในและต่างประเทศอยู่เสมอทั้งถวายความรู้พระภิกษุสมมณ น, นและบุคคลหลากหลายระดับชั้นด้วยความรักและเห็นความสำคัญของเห็นความสาคัญของครูจึงส่งเสริมให้ลูกหลานเป็นครูเพื่อถ่ายทอดความรู้ให้แก่อนุชนรุ่นหลังให้เก่งและดีเป็นกาลังสาคัญของชาติและโลกต่อไป ดังคำสั่งของคุณพอ่อที่ว่าคนมีความหู้บะสืบต่อไผลิบลีกเหมือนไฟน้ำมันบ่กขึ้นครูเป็นตัวอย่างเป็นบุคคลที่น่าเคารพยกย่องเป็นผู้นำแสงสว่างที่แท้จริงครูจึงเป็นที่ชื่นชูอยู่ในดวงใจของสิทธทุกคนคำถาม คุณพ่อเสียชีวิตในวัย92ปีด้วยโรคชาราในท่านั่งสมาธิท่านจะรู้ตัวลุกงหน้าว่าท่านกำลังจะสิ้นลมก็เียกยากรูปทุกคนมาสั่งลาและท่านก็นจากไปอย่างสงบขณะนี้ท่านอยู่ภพภูมิใดมีชีวิตความเป็นอยู่อย่างไรมีข้อความใดฝากมาถึงผมอย่างไรบ้าง และดิบุญที่ท่านใจบุญได้บริจาคที่ดินและปัจจัยสร้างวัดเจ็ดวัดโรงเรียนอีกหลายแห่งบวชพระประมาณหนึ่งพันป ร, รปุใส่บาตรทำบุญที่วัดสวดมนต์นั่งสมาธิประจำนี่พ่อของโลกแล้วละอีกทั้งเคยบวชเรียนในพระพุทธศาสนาด้วย จะส่งผลในชีวิตหลังความตายและการเกิดใหม่ของท่านอย่างไรคุณแม่เสียชีวิตในวัยเ็บปีคุณพ่อขายสองนะ่นใช่ด้วยโรคมะเร็งปากหมดลูกรู้ตัวว่าเป็นมะเร็งเมื่ออายุหกสิบปีจึงได้นั่งสมาธิเรื่อยมาโดยไม่มีการผ่าตัดและฉายแสงใดๆ ท่านก็นไมเคยบ่นว่าเจ็บปวดเลยตลอดเวลาสิบี่ปีของการป่วยท่านมีบุพกรรมใดจึงส่งผลเช่นนั้นขณะนี้ท่านอยู่ที่ใดมีความเป็นอยู่อย่างไรมีข้อความใดฝากมาถึงผมหรือไม่เหตุใดท่านยังเกิดในตระกูลสูงมีทรัพย์มากเป็นที่รักเคารพนับถือของคนทั่วไป เพราะเหตุใดจึงมาพบรักกับคุณพ่อซึ่งเป็นเพียงเด็กเลี้ยงคาราวธรรมดาคนหนึ่งทันจะเกิดมาเป็นสามีภรรยากันอีกหรือไ ม, ค ม, มไ่ครับเพราะบกรรมใดครับจึงทําให้ผมได้มาเกิดเป็นลูกทั้งทั้งสองซึ่งถูกอบรมเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีเป็นเพราะบกรรมใดจึงทําให้พี่สาวคนโตของผมซึ่งผมรักและสนิทมากเสียชีวิตด้วยวัยเพียงสามสิบปี เดยโรคมะเร็งปากมนลูกทั้งที่ไม่ได้แต่งงานผมได้ช่วยดูแลโดยไม่ได้อรังเกียิแม้จะมีกลิ่นเหม็นก็ตามตอนนี้อยู่พบภูมิใดมีความเป็นอยู่อย่างไรครับเมื่อตอนอยุได้สามขวบผมเคยโดนคนงานจับมือข้างขวาไปวางบนยางมะตอยที่ทำถนนที่ทั้งร้อนทั้งเหนียวทรมานมาก ทำให้โคนนิ้วกลางและนิ้วนางติดกันถึงทุกวันนี้แล้วตอนอายุ22ปีเคยได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์รถพลิกควา่าผมกระเด็นออกมานอกรถกระแทกกับพื้นอย่างแรงสลบไปหลายวันหมอพบว่าผมกระดูกสันหลังหักต้องพาตัดและทำการดึงหลังโดยการนอนนิ่งๆถึงหนึ่ ง, งปี แต่ผมก็โชคดีมีหมอฝรั่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้รักษาให้จากนั้นผมก็มีอาการปวดหลังอยู่ บ, บ่อยๆทั้งสองเรื่องเป็นเพราะกรรมอะไรจะหมดกรรมเหล่านี้เมื่อใดต้องทำอย่างไรครับคุณครูไม่ใหญ่ครับมีคนบอกผมว่าผมประสบความสำเร็จมาตลอดถึงแต่เกิดครอบครัวดีเรียนเก่งได้ทุน เจ้าปริญาด้าวิศวะถึงห้าสาขาขเรียนสูงถึงปริญญาเอกการงานดีแถมเป็นคนมีอารมณ์ดีเบิกบ้านแต่ก็มีบ้านครับอารมณ์ที่ไม่ดีนะแต่ว่าปรับใจได้เร็วคิดไว้แล้วแต่บุญกรร ม, มบุคลิกดีสูงใหญ่แข็งแรงหูดีตาดีหล่อจัง และความจำดีเป็นเพราะผมมีบุญเก่ามามากจริงหรือครับเพราะบุญกรรมใดทำให้เป็นเช่นนี้ครับเราทำอย่างไรจึงจะได้อัตภาพที่ดีอายุยืนประสบความสำเร็จยิ่งกว่านี้ในภพชาติต่อไป ค, คุณครูไม่ใหญ่ครับผลบุญที่ได้ตักบาตรหลวงปู่มั่นและคณะถึงหนึ่งรวันและพระวิสุทธสเนาอื่นๆเสมอๆประกอบกับการที่ผมไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ เป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ตายบังคับบัญชาและตั้งใจทำงานประสวนรวมจนมีผลงานหลายอย่างเช่นนำระบบไฟฟ้าแรงสูงเข้าสู่ประเทศนำไฟฟ้าติดตั้งตามวัดกว่า981วัดจะทำหนังสือมองคลชีวิตเผยแพร่เป็นนำาททานกว่าแสนเล่มโดยใช้แนะนำผู้ตายบังคับบัญชากรส่งเสริมการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนอีกทั้งตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนเป็นครั้งแรก ในช่วงที่ทำงานเขาให้ความชื่อเหลือคนเป็นจำนวนมากเป็นเวลากว่า3าปีนับหลายหมื่นคนเป็นต้นจะมีอานิสงส์อย่างไรพระ บ, บุปกรรมใดจึงต้องมาทำเช่นนี้ครับผมชอบวิชาการเมืองมากจึงไปเรียนวิชาการเมืองหลายประเทศมักจะเป็นที่ปรึกษานักการเมืองทุกฝ่ายจะได้รับฉายาวัครคการเมือง ด้วความปรารถนาจะเห็นนักการเมืองที่ดีเกิดขึ้นทั่วโลกจึงได้ทําหนังสือหลายเล่ม mm. เช่นครูการเมือง mm. แปลเป็นภาษาต่างๆห้าภาษา mm. ใช้ในมหาวิทยาลัยหลายประเทศ mm. และก็ดอกไม้ช่อดใหม่ mm. จะได้รับอนิสงค์อย่างไรทั้งทําบัพ ป, รปรกรรมอะไรจึงจะได้มาเป็นครูของนักการเมืองและนักศึกษา mm. นักการเมืองที่ดีตามหลักพระพุทธศาสนาในทัศนคครูไม่ใหญ่เป็นเช่นไร และทำอย่างไรจึงจะเป็นนักการเมืองระดับผูํามดินนานและเป็นที่รักของมหาชนทำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท้องถินของตนเมื่อวันที่ย2สพฤศจิกายน2 5 1ห22พฤศจิกายน2 5 1หผมได้เข้าพบบุคคลสำคัญของโลกท่านหนึ่งคือท่านเหมาเจ๋อตุง<อ>พูดคุยกันตัวต่อตัว<อ>ในเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่ง จะไม่เหตุให้ประเทศไทยพ้นจากการเป็นคอมมิวนิสต์พระพุทธศาสนาจึงดำรงอยู่มาจนทุกวันนี้จะมีอานิสงส์อย่างไรพระบุปการมใดจึงต้องมาทำหน้าที่นี้รอจัง <c oughs> ขณะนี้ผมนั่งสมาธิทุกวันแต่ผลที่ดีที่สุดที่เคยนั่งมาคือ <c oughs> เห็นดวงแก้วใสสว่างขนาดใหญ่ เต็มท้องมีประกายเพชรได้รอบมีความสุขตัวเบาสาธุผมจะมีบุญได้เข้าถึงว ร, รรมกายหรือไม่ครับ อ, อีกนาทีเดียวกันนั้นผมเคยสร้างบารมีกับครูแม่ใหญ่ามาอย่างไรเคยตั้หน้าทีใดในหมู่คณะปัจจุบันมีความตั้งใจจะขยายพระพุทธศาสนาไปทั่วโลกจะสำเร็จเพียงไรผมมีหลานชายคนหนึ่งที่ซึ่งรักและคุณเคยเสนิทสนมกันมาก เป็นคนเรียนเก่งมากจบวิชาคณิตศาสตร์เหมือนกันเจ้าปริญญายเอกได้คณิตศาสตร์จากมหาวิทยายลัยที่มีชื่อเสียงของโลกแล้วก็เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาปริญญาเอกในคณะนั้นด้วยเ้าจะเป็นที่ปรึกษาของผมเมื่อผมค้นคว้าเรื่องใดติดขัดถามเรื่องใดก็จะตอบได้เสมอเ้าจะเป็นตัวแทนงผมในการติดต่อ ง, งานและติดต่อบุคคลสาคัญเสมอ เขาทำบุญมาแต่ปางก่อนอย่างไรและเคยสร้างบุญมากับผมอย่างไรเขาจะได้มาร่วมสร้างบารมีกับผมเรื่องคุรูไม่ใหญ่ไหมครับ <Hey. S 1> มีหน้าที่อย่างไร oh. หล่อจัง <laughs> <laughs> ผมมีผู้ช่วยดูแลสุขภาพของผม <laughs> สองท่านอ <Hey. S 1> ไม่เกียวก้อเกียวด้วยที่ผมรู้สึกอบอุ่นและคุ้นเคย เวลาได้พบปะสนันาทำให้ความกังวลหมดไปและก็รักษาผมถูกโรคซะด้วยทำให้เป็นปกติได้ในเวลาอันลืวดเร็ว ร, ราวกนเนลามิสทั้งสองท่านนี้ได้ทำบุญมากับผมแต่ชาติปางก่อนอย่างไรแต่จะตามไปช่วยผมในชาตินาบแล้วการใดนี่ถามกันข้ามชาติ ก, กันเลยจะมีส่วนช่วยแห่งงานผมสาเร็จมากน้อยเพียงไรแต่แต่ละท่านเคยสร้างบุญมากังครูไม่ใหญ่ อย่างไรเคยไม่ในหน้าที่ใดในหมูค่คณะเหตุใดจึงมีความก้าวชิดกับผมเรื่องครูไม่ใหญ่มากนะจำเรื่องราเรละคำถามได้ไหมจ๊ะจำได้ครับลับตาฝันเป็นตูเป็นตะตือนขึ้นม า, านแล้วก็นำมาไล่ฟังเป็นนิยายปารามรากันจ้า คุณพ่อเสียชีวิตดนวัย92ปีโดยโรคชราในท่านนั่งสมาธิพระหมดอายุไขและจากาไปด้วยใจที่ผ่องใสที่เกิดจากสมาธิจิตระดับหนึ่งและก็มีภาพแห่งการทำบุญกุศลมากมายของท่าน<อ>ในพระพุทธศาสนา มาปรากฏเป็นกรรมนิมิตทำให้ท่านมีคตินิมิตสว่างและกายละเอียกก็หลุดจากกายหยาบออกมา<ะ>เห็น ห, หน้าบริวารได้นำบริวารมากมายมาก็แถวท้อนรับท่าน<อ>กลับไปสู่เทวโลกท่านก็ได้เดินระหว่างแถวบริวารไปขึ้นเทวโลกจะเป็นทองประดับรัตนชาติขนาดใหญ่ และการมุนละเอียดของท่านก็ได้เปลี่ยนเป็นกายทิพย์เมืม่อท่านนั่งบนรัตน บ, บัลลังก์ของเทวรถ<ม>ไปเปลี่ยนเป็นกายทิพย์ตอนที่นั่งพอนั่งปุ๊บับปุ๊บเลย<อ>นี่ดวงตรรที่ทําให้เป็นกายทิพย์ก็เปิดขึ้นใช้เลย<อ>ดวงธารที่ทำํำเพื่อกายมโนละเอียดก็ดับปุ๊บมันจะ<อ>ไม่ก่อนไม่หลังกันปุ๊บขึ้นมาทัาน<อ> แล้วก็แว บ, บไปที่วิมานทองประดับพระตนชาตาขนาดใหญ่ของสวรรค์ชั้นพระนิมิตวัตสัตติสวรรค์ันตที่6ได้บุญที่ทำไว้ในพระพุทธศาสนาตลอดชีวิตเช่นบริจาคที่ดินสร้างวัดเจ็ดวัดสร้างโรงเรียนหลายแห่งบวชพระประมาณ 1,000 ลูกใส่บาตรทมบุญที่วัดนั่งสมาธิเป็นประจำและที่บวชในบวรพระพุทธศาสนา เราั้งเรียงดูบริวารเป็นต้นมาส่งผลจ้าสาธุนี่ก็เป็นเคสที่สองที่ไปถึงปรานิมิตวัสวดีเคสแรกมีสองสามีภริยาท่องเทวโลกหนึ่งจังจี่ห้าหจตุมหาราชิกาดาวดึงยามาดุสิตานิมานาลีปรานิมิตวสวดีแล้ววนกลับมาห5ห้าส1่สามสองหนึ่งห้าหหลายเที่ยว นี่ปุ๊บไปชั้นที่หกแล้วท่านมีชีวิตอยู่สุขสบายมีบริวารมากมายที่คอยเนรมิตในสิ่งที่ท่านปรารถนาชั้นที่ห้าคือชั้นนิมมานนลาีนิมมานนลีเนี่ยอยากได้อะไรต้องเนรมิตเองแต่ถ้าประนิมิตรวัสดุดีอยากได้อะไรนี่บริวารช่วยเนรมิตให้รู้ใจเจ้านายอพอเจ้านายคิดอะไรแบบแสงวาบ ดวงแก้วกายสีกลางวิมานบริวารปุ๊บถึงบริวารที่เกิดขึ้นในบุญก็ในระมิดปุ๊บออกมาเลยตอนนี้ท่านกำลังนั่งอยู่บนรัตนะบรรลังกลางวิมานของท่านกําลังตรวจ ด, ดูที่พยัสมบัติซึ่งบริวารได้นำมาให้ดูตั้งแต่ตายวันแรกกระทั่งถึงปัจจุบันยังไม่หมดเลยเราัานสั้สังสมบูรณ์ไว้มากกําลังปลื้มมากอย่างไม่จบเลยค่ะ ปลื้มมายังไม่จบเลยจ้าเราจะยินว่าปลื้มจบหรือไม่ปลื้มจบแต่นี้ปลื้มไม่จบนานมากเนะจ้าที่ท่านสิ้นมาเนี่ยหลายสิบปีมนุษย์แต่ยังนั่งดูที่พระยาสมบัติที่บริวารนํามาให้ดูนี่ยังไม่หมดเลยนี่ เป็นรายแรกของเคสสตี้ oh. เป็นเคสที่หนึ่ศเมีข้อความมาฝากถึงลูกชายสุดเลิศของท่านว่า mm hmm. ฟังอยู่หปล่าฟอยู่คร ว, ว่าตอนนี้ท่านมีความสุขมากคือได้เห็นผลแห่งบุญที่ท่านทำมาสมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ตอนนี้ท่านยังดูเทพยะสมวัติไม่หมดเลยท่านฝากบอกมาว่า ขอจะให้ลูกประมาทในการดำเนินชีวิตให้มันสั่งสมบุญให้สืบสารการสร้างบรมีแบบที่ป่อได้ทำมาเป็นต้ น, นแบบจ้ะที่ท่านได้ทำมาเป็นต้นแบบจ้ ะ, ะให้สืบสารในการสั่งสมบุญแบบเยอะกท่านนี่คือข้อความสั้นๆฝากมาถึงสุดเลยหยุดดูที่พระยสมบัติ บ, บริวาร น, นำมาให้ดูชั่วขณะเพื่อที่จะส่งข้อความนี้ คุณแม่เสีชีวิตในวัย74ปีด้วยโรคมะเร็งปากวันลูกคพระกรรมในอดีตเมื่อกลับที่แล้วคือก่อนกลับนี้กลับคือโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมไปครั้งหนึ่งใครสร้างไปสําคัญสําคัญมันเป็นอย่างนี้และมีมาหลายครั้งกรรมนอดีตเมื่อกลับที่แล้วท่านเด็เกิดเป็นเศรษฐีหนุ่มรูปงามคุณแม่นะเป็นเศรษฐีหนุ่มรูปงาม ผู้ชายกลายมาเป็นหญิงโดยไม่ต้องผ่าตัดแปลงเพศแค่สร้างวิบากกรมกรมกาเมีจะชู้แต่นั้นได้แปลงเพศเลยเศรษฐีนมรูปงามจึง ท, ทาให้มีสาวๆมาเสนอตัวเยอะเนียนชื่ออาลีมาทำ ล, ลำดับเลยติมต่อยน้อยนีเล็กแดงเล็กหวามเลยๆไ อ, ไอ้นี่ตีต่างตีต่างอันนี้ไม่เกี่ยวกันนะจะได้นึกภาพออกไง เนียนติม่มฮะเนียนใต้เนียนน้อยเนียนนีเนียนเล็กเนียนแดงอะไรท่านจึงสนองตอบด้วยความเจ้าชู้ของท่านจึงสมวันที่ท่านมาเป็นผู้หญิงในชาติต่อมาสมหวังเลยเพระว่าผู้หญิงมันอยู่ในใจเยอะๆมันก็ไปพลิกนิดเดียวเสร็จโปรแกรมมาเป็นหญิงเลยจะในชาติหนึ่งได้เกิดเป็นผู้หญิงอีก กาตบมาเป็นผู้หญิงและอีกถัดมาเป็นหญิงอีก <Yeah. S 1> ในตระกูลสามมัน mm hmm. ได้ประพบ mm hmm. เลิฟกับชายหนุ่มคนหนึ่ง mm hmm. ก็คือคุณพ่อในชาติปัจจุบันนี้แหละและท่านก็นได้มีโอกาสทำบุญในพระพุทธศาสนายอย่างสม่ำเสมอ mm hmm. แต่ว่าสามีของท่านในชาตินั้นไม่ค่อยได้ทำเองได้แต่คอยสนับสนุน mm hmm. นับหนุน และอนุโมทนาที่ภรรยาได้ทาบุญไม่ขัดใจและก็เข้าใจว่าภรรยาสา ม, มีคือคนคนเดียวกันไม่ได้มีความรู้ว่าใครทาใครได้ใครรับประทานคนนั้นอิม่มในก็เหมือนเหมือนกันเพราะในกฎหมายก็บอกเป็นคนคนเดียวกันแต่กฎแห่งกรรมคนละเรื่องไม่ใจะตอดเราเวลาที่เวียน่าวตายเกิดคุณแม่ก็ได้เคยเกิดในตระกูลของชนสามมัน นี่เว่าได้เกิดได้เคยฆ่าสัตว์มาทําเป็นอาหารบ่อยๆจนถึงชาติปัจจุบันนี้ด้วยด้วยบุญที่เคยได้ทำด้วยบุญไอ้จนมาถึงชาติปัจจุบันนี้อ น, นักฆ่าสัตว์บ่อยๆนะจ๊ะอพอมาถึงชาติปัจจุบันนี้ด้วยบุญไม่ได้เกี่ยวเรื่องฆ่าสัตว์นะด้วยบุญที่เคยได้ทํากับคุณพ่อมาในอดีตตชาติชาติดังกล่าวที่ แม่ทําพ่อนับหนุนนะ่ยจึงจะให้มาเป็นสามีภรรยากันอีกโดยบุญที่ท่านได้ทาเองในพระพุทธศาสนาโดยความเคารพมาส่งผลที่ท่านได้เกิดในตระกูลสูงส<า>มีทรัพย์มากและก็เป็นทีละของชนทั่วไปนี่ทำทานด้วยความเคารพในพุทธศาสนานี้นี่ทําให้คุณแม่มาเกิดในตระกูลสูงส่วนคุณพ่ออ่ามาถึงพระเอก <c oughs> ได้บุญเน่แต่คอยนับหนุนก็คอยอนุโมทนา ที่คนแม่เด็กทำบุญในชาตินั้นโดยไม่คัดเลยพระเลิศกันมากแต่ไม่ได้ทำเองใ้อนุอนุโมทนาแล้วก็ไม่ได้ทำด้วยคือแม่บ้านทำตัวอนุโมทนาแล้วตัวเองก็ไม่ได้ทำด้วยความเคารพไม่ได้ทำด้วยความเคารพเจ้งธรรมชาตินี้มาเกิดในตระกูลของชาวนาเป็นแค่เด็กเลี้ยงคาราบาลคนหนึ่งและเป็นคาร์บอยคาราบาว ยแล้วได้มาใช้ชีวิตและสมบัติร่วมกันด้วยบุญที่ทาต่างกันดังกล่าวเ oh. ห็นไหมใช่นับหนุน hmm. กับวัดใช้สมบัติร่วมกัน hmm. แต่ตอนเกิดมาต่างกัน hmm. อีกคนเกิดในตระกูลสูง hmm. อีกคนต้องด้ขี่หลังคารบาลัน hmm. ส่วนคุณแม่เสกกรรมจะชู้ในชาติที่เป็นผู้ชายดังกล่าวพะรลบากรรมฆ่าสัตว์ธรรมอาหารจึงทำให้มาเป็นมะเร็งปากหมดลูก แต่ว่าท่านเคยทำทานในเพศสัตยารักษาโรคต่างๆกับพระภิกษุสามเณร ม, มรอมกับบุญในปัจจุบันที่ทำทานรักษาศีลเจริญภาวนาอย่าง ส, งสม่ำเสมอต่อเนื่องตั้งแต่อยู่อกสิปีก็นั่งสมาธิเรื่อยๆจึงทำให้ท่านไม่เจ็บปวดทุกทรมานเหมือนคนปว่วยด้วยโรคนี้ทั่วๆไปจะถ้าเป็นมะเร็งนี่จะปวดมากแต่ท่านไม่เพราะบุญถวายเพศสัต์กับทุกๆบุญมารวมเงินว่าท่านเสียชีวิตแล้ว ก็มีบริวานนำเทวรัตมารับแบบเดียวกันกับค Man so ุณพ oh ่อและพาไปที่สวรรค์ชั้นประณีมิตรวัสดีมีวิมานทองประดับประทานชาติใหญ่โตอราณสว่างสวัยติดกันกับวิมานทองของคุณพ่อโดยบนที่ทาไว้ในพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องมีมานติดกันแล้วมีบาทหลวงเคียงกันแล้วแต่ตอนนี้นี่เทิิดา กำลังนั่งชมทิพยะสมบัติที่บริวาร น, นำมาให้ดูอยู่ที่รัตนะบระหลังกลางวิมานทองอย่างต่อเนื่องชิ้นเดียวกับคุณพ่อคือยังปื้มไม่จบจึงยังไม่ได้พบกันแม้ว่าบ้านเรือจะเคียงกันรถต่างคนต่างมัวชมทิพะยะสมบัติกันอยู่อีกทั้งเวลาของสวรรค์เมื่อเทียบกับเมืองมนุษย์แล้วเพิ่งผ่านไปได้ไม่นานเท่าใดนะักท่านฝาข้อความสั้นๆมาว่าอืมตอนนี้ท่านมีความสุขมาก แล้วก็ฝากมาบอกว่าฝากมาบอกลูกสุดีิลักษณ์ของท่านว่าอย่าประมาทในการดาเนินชีวิตให้สั่งสมบุญให้มากๆแบบท่านแล้วก็จะได้มามีความสุขอย่างท่านจ้ะที่ได้มาเกิดเป็นลูกชายสุดเลิศของท่านทั้งสองและได้รับการอบรมอย่างดีเพราะมีบุญที่เคยทำร่วมกันบ้างกับมีบุญที่ทำเองเสมอกันเป็นหลักทำร่วมกันบ้างกับบุญที่เสมอกัน กับบุญที่เคยเลี้ยงดูบิดามารดาีนบุญเสมอบิดามารดากับบุญที่เคยเลี้ยงดูบิดามารดาส่วนตัวเลี้ยงดูบุตรทิดามาอย่างดีและก็ทําทานรักษาศีลเจริญภาวนามาอย่างดี<อ>จึงทําให้มามีบิดามารดาที่ดีและเลี้ยงดูอบรมมาอย่างดีจา้าตามทันไหมจ๊ะ<า>ตามทันไห ม, มพี่สาวกันตอที่สนิทกันมากเสียชีวิตในโรคมะเร็งปากมาลูก ตั้งแต่ที่ทำาเรื่แต่งงานม า, นาอายุสามสิปีพระกำเนาดดีสมัยที่เป็นผู้ชายอยู่ชาติหนึ่งน่กายดีผู้ชายเหมือนกันกได้รับราชาการอยู่ในหัวเมืองเมืองหนึ่งเวลาที่มีเสนาบดีผู้ใหญ่พร้อมทั้งคณะมาตรวจเยี่ยมราชาการตนเองซึ่งรับราชาการอยู่เป็นผู้ชายก็มักจะทำหน้าที่จัดเลี้ยงตอนรับคณะสากลกันทุกกลับเลยนะ ได้จัดนางบําเรอพร้อมนั้งสั่งฆาสัตว์ปมาทาเป็นอาหารเลี้ยงคณะตรวจการอยู่บ่อยๆนี่ฆ่าสัตว์ทำหารด้วยลากำวนเวียนอยู่กับกามีอย่างเงี้ยส่งนางบําเรอไปบําเรอวิบากรรมนี่มันรวมส่งผลเจ้าตายแล้วก็เดีวนเวียนเป็นภูมิเทวาอยู่ระยะหนึ่งแล้วก็เดไปเกิดใหม่เป็นมนุษย์นานแล้วเจ้านี่พีสาไปเป็นมนุษย์ ส่วนคุณพ่อคุณแม่อยู่ประรานิมิตวัสวัสดีวิมานติดกันเมื่อตอนอายุสามขวบเคยโดนคนงานจับมือข้างขวาไปวางบนยางมะตยที่ทำห น, นนที่ทั้งรอนและเหนียวทรมานมากจนทำให้คนนิ้วกลางกับนิ้วนางติดกันจนถึงปจัจจบบันเพราะกำเนิดดีชาติหนึ่งตอนเป็นผู้ชายวัยรุ่นได้มีความคนนองตามให้ทันนะจ๊ะได้กแกล้งเด็กที่เป็นน้อง ของเด็กที่ไม่ชอบหน้ากันน้องคู่หริยพูดยังไงน้องของวัยรุ่นคู่ริในขณะที่ตัวเองกําลังจุดไฟเล่นรอบกองไฟก็เด็หลอกเด็กคนเนี้น้องของวัยรุ่นคู่หลีิให้ไปจับครื่งนะ่ะรู้จักตัวครั่องไหมเครั่องเครั่องแดงๆนะ่ะที่ติกักิ่งไม้แล้วก็ดำเครั่งที่ิกิ่งไม้มาหล่นไฟจะล้อง ล้าก็บอกกับเด็กว่ามันไม่ร้อนเอาไปทดลองจับดูเด็กก็เลยลองเอามือจับดูจนคลั่งเนี่ยลวกมือบาดเจ็บมีบากรรมนี้มาส่งผลให้มาโดนบ้าง โ, <อ>โดยเด็กคนนั้นน่ได้มาเป็นคนงานในชาตินี้ได้จับมือไปวางบนยางมาต่อยเพราะผูกเวรกันมาด้วยจ้ะ<อ>มีมีกรรมไปหลอกเขาแล้วก็คู่คู่กรรมมาเจอกัน ในชาตินี้มาเป็นคนงาน oh. เลยโดนมัง่งตอนอายุได้22ปีได้รับอุบัติเหตุทางรถยนต์รถพลิกคว่มได้กระเด็นออกมานอกรถกระแทกพื้นอย่างแรงสลบไปหลายวันหมอพบว่ากระดูกสันหลังหักต้องผ่าตัดและทำการดึงหลังโดยการนอนนึ่งๆอยู่ถึงหนึ่งปี mm. แต่โชคดีที่มีหมอฝรั่งเชี่ยวชาญด้านนี้รักษาให้จากนั้นก็มีอาการปวดหลังบ่อยๆเพราะ กำเนดดีชาติหนึ่งในใบขนองได้ชวนเพื่อนไปเที่ยวกันในปา่าแล้วก็มีเพื่อนคนหนึ่งได้ปีนขึ้นไปบนต้นไม้ตัวเองอยู่โคนต้นแกล้งสนุกสนุกด้วยการขย่าต้นไม้เพื่อให้เพื่อนกลัวในสุดเพื่อนกับพลัดตกลงมากระแทกกับเพื่อนจนหลังหักแล้วก็สลบไปจึงได้รับผ่าตัพยาบาลและพาไปให้หมอรักษาจนหายแต่ก็ยังไม่สนิททาให้มีการปวดหลังเป็นระยะระยะ วิบากกรรมนี้มาส่งผลเจ้าจะแก้ไขก็ให้สั่งสมบุญทุกบุญทั้งทานศีลภาวนา<ม>ปฏิบัติทานัว เ, เขาถึงดวงใสๆลงพระภายในแล้วก็อุทิศบุญนี้ไปยังผู้ที่เราเคยไปร่วงเกินเบียดเบียน เ, เขาไว้บ่อยๆจ้านักก็จะเป็นเบาๆก็จะหายตายก็ไปดีเจ้า<ม>ที่ประสบความสำเร็จมาตั้งแต่เกิดมีครอบครัวดีเรียนเก่งได้ทุนเจ้ปริญาด้าวิศวะถึงห้าสาขา เรียนสูงถึงระดับปริญญาเอกกายงานดีและมีอารมณ์เบิกบานเป็นส่วนใหญ่นอกจากบางคราวจำเป็นที่จะต้องใช้อารมณ์ไม่เบิกบานบ้างแต่ก็ปรับใจได้เร็วอีกทั้งมีบุคลิกดีสูงใหญ่แข็งแรงหูดีตาดีรูปหลอ่อความทรงจำดีเพราะได้ทำบุญเก่ามาในอดีเช่นมีคราบกลัวดีเพราะ แน่ดีเป็นผู้ที่มีความกตันญยูกตะเวทีแต่เลี้ยงดูบิดามารดาเป็นอย่างดีเลี้ยงดูบุตรภริยาและบริวารเป็นอย่างดีมาส่งผลให้มีครอบครัวดีจ้าเรียนเก่งได้ทุนได้ป ร, ริญญาหลายสาขากระทั่งได้จบปริญญาเอกเพราะแน่ดีเป็นคนอ่อนน้อมมันเข้าไปหาครูบาอาจารย์ บันทิดนักประาดเพื่อไต่ถามความรู้และมีปกติรักในการศึกษาและเรียนพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งชอบสนับสนุนให้ทุนการศึกษาบุตรหลานบริวารมาส่งผลแจ้า<อ>ทำให้เรียนเก่งได้ปริญญาหลายสาขามีการงานดีเพราะเป็นคนที่มีที่ไม่อิจฉาใคร อีกครั้งเมื่อถึงจังหวะมักจะส่งเสริมลูกน้องให้เจริญก้าวหน้าในสายงานมาส่งผลจามีอารมณ์ดีเบิกบานเป็นส่วนใหญ่นอกจากจำเป็นที่จะต้องใช้อารมณ์ไม่เบิกบานแต่ก็ปรับใจได้เร็วเพราะเป็นคนที่อธิษฐานว่าให้สอนตนเองได้และเป็นคนที่เคยฝึกสมาธิมา มีผลการปฏิบัติธรรมที่ดีจึงสามารถปรับอารมณ์ได้ง่ายปรับใจได้เร็วมาส่งผลจจามีบุคลิกดีรูปหล่อสูงใหญ่แข็งแรงเพะในอดีตได้เคยสร้างฐานวัลวัตถุที่แข็งแรงสวยงามไว้ในพระพุทธศาสนาคล้ายในชาตินี้มาส่งผลจ่มมีความทรงจำดี เพราะเป็นคนมีสัจจะพูดจริงทำจริงมาส่งผลเจ้าหูดีเพราะชอบฟังธรรมไม่ชอบฟังคนนินทาชอบฟังในสิ่งที่ดีมีประโยชน์ประส่งผลเจ้าเอาละใครอยากจะได้หูสวยฟังดีก็ต่างฟังนำสุดสดสังละปะเตปัญญง ฟังดีทาไม้เกิดปัญญามีดวงตาดีแม้อายุเยอะเพราะมองคนด้วยจิต ท, ที่ประกอบไปด้วยเมตตาและปรารถนาดีมาส่งผลจะนี่ดวงตาจึงงดงามตาดีมีสเสน่ห์จะต้องสั่งสมบุญทั้งบุญทั้งทานสีภาวนามากๆแล้วอธิษฐานกำกับไว้ในทุกเรื่องเช่นให้อายุยืนให้ประสบความสำเร็จได้ให้ดีกว่าชาตินี้เป็นต้นจากจึงจะได้อย่างที่ได้ อยากจะเป็นนะจ๊ะผลบนที่ได้ตากบาตรหลงปู่มาแล้กันะถึงหนึ่งร้อยวันและประพรเพสุ์สามเณรอื่นๆ อ, อ, อยู่เสมอจะส่งผลให้มีอายุวั น, นสุขภาะปฏิภาณที่ดีเป็นต้นจ้ะไม่ดื่มเหล้าไม่สูบบุหรี่ก็จะทําให้มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์ไม่มีเชื้อใบบาปัญญาอ่อนติดตัวไป รวมทั้งก็จะไม่มีลูกหลานที่เป็นใบาบาปัญญาอ่อนด้วยจ้าเป็นตัวอย่างที่ดีกับผู้ตายบังคับบัญชาและตั้งใจทำงานเพื่อส่วนรวมเช่นนำระบบไฟฟ้าแรงสูงเข้าประเทศนำไฟฟ้าติดตั้งตามวัดกว่า981วัดนั้นบนนี้จะส่งผลให้เป็นที่เคารพนับถือของมหาชนเป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะไปเกิดที่ไหนชีวิตก็จะสว่างสวยดวงตาจะแจ่มใสไม่พร่ามัวจะได้รับความสะดวกสบายต้อนรับในทุกสถานที่เป็นต้นจช่คืออนิสงว น, นี้เราย่อให้เหลือคำว่าเป็นต้นงัน้นเดี๋ยวไว้จบคืนนี้จะทามงคลห น, นังสือมองคลชีวิตแจกจ่ายจำนวนกว่าแสนเล่มส่งเสริมการศึกษาแก่ภาครัฐและเอกชนและตั้งมหาวิทยาลัยเอกชนนั้น บนนี้ก็จะส่งบอลให้เป็นคนมีสติปัญญาเฉลียวฉลาดและจะได้ยอยู่ในแวดวงของบัณฑิตนักปรัชญาจะมีพักพวกเพื่อนพ้องบริวารที่ดีมากเป็นต้นจ้าต่ช่วงที่ทํางานนั้นก็ได้เชิยเหล่าคนเป็นจำนวนมากตลอด30สปีกว่าหลายหมื่นคนนั้นบนก็จะส่งบอลให้เป็นที่รักของมหาชนเป็นจํานวนมากจะเป็นที่รักและเป็นผู้นำมหาชนในที่ที่ได้ไปเกิดเป็นต้นจ้าจะเป็นผู้นํามหาชน ที่ต้องมาทำเช่นนี้พระเป็นนิสัยที่ติดตัวมาข้ามชาติชอบทำคุณประโยชน์ให้เกิดขึ้นแกสังคมและประเทศชาติมาตลอดจ้ามีความชอบวิชาทางการเมืองมากได้ไปเรียนวิชาการเมืองจากหลายประเทศมักจะได้เป็นที่ปรึกษาของนักการเมืองทุกฝ่ายจนได้รับฉา ย, ยาว่าครูการเมืองพระอันนี้คุณใหญ่ต้องตอบเ ย, ยอๆเพราะยังมีเปเปอร์ที่จะส่ง ไปให้เจ้าของเคสอ่านนี่ oh. เป็นปึกนะจ๊ ะ, oh. ะก็เ <laughs> พราะว่าเดี๋ยวมันดึกนะไ <laughs> ด้รับชายาครูการเมืองเพราะมีนิสัยเป็นครูเป็นอาจารย์มาข้ามชาติตั้งแต่ก่อนพุก่อนตั้งแต่ก่อนพุทธนดรที่ผ่านมา oh. และเฉพาะพุทธันดรที่ผ่านมานี้ oh. ก่อนหน้า น, นั้นแล้วก็ oh. เอาตัดตอนปฏิพุทธนดรที่ผ่านมานี้ ได้เป็นมหาอำมาตย์ผู้ใหญ่ของพระราชาบิดาของพระราชาองค์ที่ออกบวชจะคอยเป็นที่ปรึกษาแนะนำแก่พวกข้าราชาการทั้งหลายเกี่ยวกับการสร้างสมดุลทางการเมืองระหว่างแคว้นเพื่อให้แต่ละแคว้นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขจนหมดอายุราชาการนิสัยนี้ติดตัวมาจ้าสร้างสมดุลให้เกิดทางการเมือง แต่ละแคว้นอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุขมีเทคนิควิธีการรต่างๆด้วยความปรารถนาที่จะเห็นนักการเมืองที่ดีเกิดขึ้นทั่วโลกจึงได้ ท, ทําหนังสือหลายเล่มเชิงครูการเมืองแปลเป็นภาษาต่งตางๆ5ภาษาใช้ในมหาวิทยาลัยหลายประเทศและดกอกไม้ช่อดใหม่นั้นจะได้อานิสงส์โดยย่อเอาโดยย่อและกันนะจ๊ะเพรายาวมากไม่ไหวเดือดคือจะได้เป็นที่เคารพเกรงใจแก่เหล่านักการเมืองทั้งหลาย และจะเป็นอบนิสัยวาสนาที่จะต้องมาทําหน้าที่เดิมๆแบบนี้อีกหลายชาติเป็นต้นเจ้าที่มาสร้างสมดุลทางการเมืองอแควนนั้นแควนนี้ประเทศนั้นประเทศนี่พรรคนั้นพรรคนี้คนนั้นคนนี้อืบ้านนั้นบ้านนี้อืหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เกี่ยวนนัอนั่นอในการเมืองการเมืองโอ้ก็ลืมไปการเมืองการเมืองไม่เกี่ยวกันในบ้าน นักกายมรรติดีตามศาสนาขำพูดศาสนานจะตั้งประกอบไปด้วยธรรมต่างๆเอาหัวข้อดีกว่าเพราเยอะๆั้งมาอ่านเอาเองเนี่ยจะตั้งประกอบไปด้วยธรรมคือข้อปฏิบัติต่างๆเช่นมีพร้มวิหารสีปราศจากอาคาติสีประกอบด้วยสังขาวัตถุสีอิทธิบาทสีมีธรรมสิบประการสำหรับผู้ปกครอง แยอๆเลยกรอบด้บารมีหมีกัญติโสฬจะมีหิริโอตปะมีอธิษฐานทำสี่มีข้าบดีทำสี่มีราชสังฆาัตถุตสมีสัพปริสธรรมเจ็ดมีคุณธรรมผู้บริหารหมียุติธรรม5มีทํามเป็นเครื่องให้ก้าวหน้าเจมีไตรสิกขาและปฏิบัติตามพระพุทธโอวาสสมเช่นเว้นจากทุจริตประกอบสุจริตทำใจขันตอนใหสะอาดโดยสุ์เป็นต้นจ้ารายละเอียดนี่เดี๋ยวเดยเดีวนี้ เด่๋ยวเอาเอาปึ้งนี่ปึ่งนี่นี่ปึ้งนี่นี่ปึงนี่ปึ้งนี่ปึ้งนี่รายะเอียมีมากมายแล้วค่อยนําไปหาอ่านศึกษาเอาเนาะจ๊ะถ้าตามตามนี้ก็จะเป็นที่รักของมหาชนและจะนำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ท้องถิ่นดอนจนประเทศชาติและโลกจ้ะแต่ถ้าโดยย่อก็คือต้องเป็นครูและนัปกครองในตัวถ้าจะเป็นนักการเมืองที่ดีเนาะจ๊ะตแองครู ที่สอนนักเรียนที่อยู่ในกระจกได้ไปยืนที่หน้ากระจกดูมีนักเรียนคนไหนอ่ะก็นั้นแหละแล้วก็เป็นนักปกครองคนที่อยู่ในกระจกก่อนก่อนปกครองคนนั้นก่อนเนี่ยให้อยู่ในในล่องในลอยในลู่ในอะไรต่างๆให้ดีทั้งนั้น ไปดูตรงในกระจกกันนั่นแหละ <Okay. S 1> ให้เป็นทั้งครูทั้งนักปกครองนักเรียนในนั้นบุคคลในนั้น <Okay. S 1> ก้อนนี่นะจ๊ะแล้วก็ต้องเป็นนัก น, ะนี่ก่อนจะเป็นนักการเมืองต้องเป็นนักการบ้านก่อน okay. Okay. คือบ้านคือส่วนย่อเหมือนห้องแลบห้อง l ลบ <Okay. S 1> ที่จะดูแลทุกๆคนในบ้าน ให้อยู่เย็นเป็นสุขบำบัดทุกบำบังลุงสุขต้องครองตนครองคนในบ้านและครองงานในบ้านในห้องแ lap นะครับการบ้า น, นก่อนเป็นนักการบ้านก่อน ใ, ให้อยู่เย็นเป็นสุขก่อนนี่ไงไง่ายๆตามภาษากรูุ๊ปใ ห, ใหญ่ลแล้วข้อเมื่อทำได้แล้ว จ, จรจึงขยายมาเป็นระดับพายล็อตโปรเจกต์ คือมาเป็นนักการเมืองนี่ระดับประเทศได้เราข ย, ยายมากี่เท่าละ่ะอาจจะท้องถิ่นก่อนจังหวัดนี่แล้วก็ประเทศขยายระดับห้องแลบไปสู่ระดับพลอตโปรเจกต์แล้วถึงไประดับโรงงานนี่ขยายต่อไปอีก ค, คือการโลก การโลกวันนั้นก็จะมีการบ้านการเมืองและการโลกโดยเริ่มต้นที่ตัวเองและในตัวเองต้องเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดต้องเริ่มตรงนั้นก่อนหายใจใสๆมีดวงปัญญาเกิดมีความสุขภายในและจะได้รู้ว่าความสุขที่แท้จริงเป็นอย่างนี้เวลาเราจะขยายความสุขที่แท้จริงจากตัวเราไปสู่คนรอบข้าง จะทำยังไงจะมีดวงบัญญารู้วิธีการที่จะขยายความสุขที่จะปกครองตัวเองให้เป็นคนเก่งและดีเป็นคนมีมีศีลมีธรรมมีคุณธรรม<ะ>อะไรต่างๆอย่างไงี้จ้ะศีลห้าวันพระศีลแปดศีลห้าเป็นปกติแล้วก็มีธรรมคือข้อปฏิบัติแล้วก็ไปหาเอานี่ เอาจากหนนี้เชิงคัดมาจากคาสอนพระสามมาสมุท e x t e r a ขอวาพาสมาสัมพุท e y แล้วก็มาเรียบเรียงใหม่าชางเงี้ยเงี้ยเงี้ยเช่นโอ้เยอะแยะเลยพมะมหาสีไม่ตากรมุทิตา อ, อุเบกข า, ากติสีกัฉันทากติโทสะกติโมหะติพยากติอย่าลาเอียงเพราะรักเพราะโกรธเพราะข่าวเพราะกลัวสักการบุตรสีก็ทานพยาวาจาราเจริยาสมานาตตาให้สิ่งของให้ถอยคำเพละ พึ่งในสิ่งที่เป็นประโยชน์ร่างตนในเหมาะสมอย่างนี้จะที่บาสีฉันทบริยติจิตามิมังสาแล้วก็ตรงนี้สําคัญข้อปฏิบัติของนักปกครอง10บประการหนึ่งทานคือการให้ปันเป็นการให้เพื่อบูชาคุณหรือเพื่อการอนุเคราะห์สองศีลในการสารวมกายบริจาคใจเรยียบร้อยสะอาดยิงง า, ามสบริจาคต่แก่การให้ทรัพย์สินของเพื่อเป็นการช่วยเหลือหรือความทุกข์ยากหรือร้อนของผู้อื่นหรือเป็นการเสียสลับเพื่อหวัง ให้ผู้รับได้รับความสุข 4. อาชวะได้แก่ความมีอัจฉรยะสายเสื่อตรงมั่นในความสุจริต ธ, ธรรม 5. มัตตวะได้แก่ความมีอัตฉรยะสายดีงามละมุนละมัอ่อนโยนสุภาพ 6. ตะบะต้องมีนักปกครองต้องมีตะบะได้แก่การบำเพ็ญเพียพรเพิกกระจับหรือทําลายอกุศลธรรมให้สิ้นไปจากใจ 7. อกอทะได้แก่สามารถระงับความขจัดเสื่อเส้นความโกรธเพราะมันเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจเพราะคนนั้นก็จะเอาอย่างนี้อีกคนนี้ก็จะเอาอย่างนั้นเดียวคนนี้เยอะแยะ ห, หมดมันก็ชัก อารมณ์เราดีๆม was, ันทำเสีเสียเลยอือพอจะระบายมันก็จะให้ล้น ni, ออกมานี่เขาเรียกอกุศลฮะแปอวิหิงสาคือต้องไม่เบียดเบียนทั้งตนเองและผู้อื่นเก้าให้มีขันติคืออดกลั้นไม่ปล่อยกายวระจใจตามอารมณ์หรืออำนาจกิเลสที่เข้ามาบังคับความโลภความโกรธความหลงเมื่อมันเข้ามาบังคับเราก็ต้องยับยั้งมันไว้พอมันบังคับเรายับยั้งนะพอบังคับเอ่ะ ยาอะไรเงี้ยสบอวิโรธนั้นไแก่การทํารงรักษาไว้ซึ่งความยุติธรรมสิประการนี้คือข้อปฏิบัติของนักปกครองไม่ว่าจะท้องถิน่นไายในบ้านท้องถิ่นประเทศหรือโลกต้องมีนี่แล้วมีบารมีหเยอะยะไม่อ่านละมีขันติโสฬจะนี่ไอ้แม่เจ้าทาให้งามอดทนสงบสงี่ยมมีหิลีมีโอตป ะ, ปะคือปัใจมันหยุดนิ่งอยู่ภายในเดี๋ยวพวกนี้มาเกิดขึ้นมาเองแหละที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ นี่แค่ขยายความรู้จักจุดเริ่มต้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดออกมาเป็นหัวข้อธรรมอะไรต่างๆนี่พระสัมมาสุมพุทธเจ้าถขยายจากภายในออกสู่ภายนอกรเรียงกันไปตามลําดับอะจาะเ์ดิไปอ่านเอากันแล้วกันนี่จ้ะเพราะฉะนั้นต้องเป็นครูเป็นนักปกครองคนที่อยู่ในกระจกก่อนแล้วก็จริงขยายเมื่อสมาชิกในบ้านครองตอนเองครองคนในบ้านแล้วครองงานในบ้าน จัดระเบียบตรงนี้ให้ดีทีเดียวให้ดีทุกห้องเลยมันมีทั้งหลายห้องในบ้าน <c oughs> นะจ๊ะดีทุกห้องเลยนี่พอทาการบ้านในระดับห้องแลบดาดจิงขยายไประดับพายโดโปรเจกต์ถึงจะ ก, การเมืองแล้วยิงระดับโรงงานคือการโลกนะจ๊ะเ <c oughs> มือ่อยีบสองพฤศจิกายน2 5งหโอ้โหนี่คือประวัติศาสตร์ครับเป็นบดุลแผ่นทองที่ปิดหลังองค์พระปริ ม, มานที่เป็นอมตะ เลยล้ำค่ากว่าเพชรได้เข้าไปพูดคุยตัวต่อ ต, ตัวกับบุคคลทำงานขอโลกท่านหนึ่งคือท่านเหมาเจ๋อตุงต่เรื่องสําคัญเรื่องหนึ่งจะเป็นเหตุให้ประเทศไ ท, ทยพ้นจากความเป็นคัมมันต์และพระพุทธศาสน า, าได้ดารงอยู่มาจนถึงทุกวันนี้ท่านมีอุปการะคุณมากทกีเดียต่อระพุทธศาสนาบ้านเมืองอย่างสํำคัญท่านหนึ่งทีเดียวคเคยสร้างสมเดินสมดุลทางการเมืองระหว่างแคว้นมาก่อนนะล่าว เพราะเพราะนะที่ไปเจอกันเนี่ยแล้วคุยแล้วก็เกิดสิ่งดีๆเนี่ยเพราะเคยเคยสร้างสมดุลทางด้านการเมืองระหว่างแคว้นมาก่อนเนี่ยเมือ่อพุทธนนท์ที่ผ่านมาตามทันไหมจ๊ะตอนเป็นมหาหมัดผู้ใหญ่ของพระราบิดาของพระราชาองค์ที่ออกบุตเพื่อไปแคว้นแต่แคว้ น, ควนกระทบกันผังนี่ติดตัวมา <โล S 1> แต่ในอดีตก็ไม่ได้มีอะไรเป็นพิเศษกับบุคคลท่านนี้ที่ไปพบอืมท่านมาของท่านอีกทางหนึ่งและท่านก็ไปของทานอีกทาง ไปไหนเราไม่ต้องไปรู้จะมีอะไรส่งในยอคือในภพชาติต่อไปก็จะได้ไปเกิดในแผ่นดินที่มีพระพุทธศาสนาจะมียุขายยืนยาวนานศัตรูมูภยัยไม่อาจทำอันตรายท่านได้จะได้บรรลุธรรมและแตกฉานในธรรมทั้งหลายของพระสัมมาสัมพมุทธเจา้าพระรักษาพุทธศาสนาไว้ด้วยและจะได้ไปเกิดในครอบครัวที่อยู่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็จะเป็นสุขทุกแห่งหนไม่วันในหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดประเทศเป็นต้นจ้ะขณะนี้ได้นั่งธรรมทุกวัน และมีผลการปฏริบัติทาที่ดีที่สุดที่ผ่านมาคือเห็นดวงแก้วสายสว่างขนาดใหญ่เต็มท้องมีปรากายเพชรโดยรอบมีความสุขตัวเบานั้นก็เป็นต้นทางที่จะเข้าถึงพระธรรมกายอีกนาทีเดียวแต่นั้นจะถึงทาไม่เลิกซะก่อนให้ทำความเพียรต่อไปอย่างสม่ำเสมออย่าให้ขาดเลยแม้แต่เพียงวันเดียวก็สามารถเข้าถึงพระธรรมกายได้เพราะทาถูกหลักวิชาแล้วจ้า กองพุทธนันดรที่ผ่านมาก็ได้เป็นกองเสบียงก่อนพุทธัทนดรนะไม่ใช่พุทธัทนดรที่ผ่านมาอ<ป R>าจาองพุทธันดรที่ผ่านมาจะเป็นกองเสบียงสนับสนุนในการเผยแผ่พระพุทธาศาสนาวิชาธรรมกายมาหลายชาติแล้วในรูปแบบต่างๆแล้วแต่ว่าในชาตินั้นจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามจะไปเกิดเป็นอะไรก็ตามชั้นล่างชั้นกลางชั้นสูงใ น, นที่สุดก็จะมาสนับสนุนเป็นกองเสบียงให้กับการเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชาธรรมกายไปทั่วโลก โดยเฉพาะพุทธันดอนที่ผ่านมาได้เป็นมหามาตรผู้ใหญ่ของพระราชบิดาของพระราชาองค์ที่ออกบวชบวชพระราชบิดาองค์นั้นสิ้นไปชนแล้วพระราชโอรสก็ได้ขึ้นมาเป็นพระราชาอยู่ระยะหนึ่ง ค, คือพระราชบิดานี่มามีครอบครัวมีมาเหสีตอนแก่นะตอนแก่ไม่นานนั่นเลยหลังทจากับพระพฤทธพรมัญจนจนหมดอายุขไขเลยแล้วก็ พระเดชานุชนนี้ท่านมาเป็นมหาามาผู้ใหญ่ของพระราชบิดาต่อมาเมื่อพระราบิดานสิ้นพระชนและพระราชโอรสก็ได้ขึ้นเป็นพระราช า, าอยู่ระยะหนึง่งต่อมาเมื่อเห็นภายในวัตฏะสงสารก็เลยสลระราชาบัลลังก์แล้วก็ออกโบสถเห็นไหมจะเพจนักบสถเป็นเพจที่สูงสุดราชาบัลลังก์เล้อล็งเล็กส่วนมหามามาผู้ใหญ่ของพระราชาบิดาก็อายุมากแล้ว ก็ได้ตามมาทําบุญสนับสนุนเป็นกองสเสบียงในบ้านปลายของชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เห็นดวงใสๆองค์พระใสๆสว่างๆพ่อประคองตัวเอาตัวรอยกลับดูสิตบุรีได้<า>แต่ลงมาสร้างบารมีสองรอบแจ<า>อดีตมหมามัตย์ผู้ใหญ่<า>ปัจจุบันก็นมาทําบุญกับหมู่คณะในบ้านปลายชีวิตคล้ายพุทธันดอนที่ผ่านม า, าแต่ก็มีกําลังบุญเพียงพอที่จะสนับสนุนในเผยแผ่พระพุทธศาสนา วิชาธรรมการไปทั่วโลกได้แจ้หลานชายจะปริยาเอกด้านคณิตศาสตร์จากมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงของโลกได้เป็นอาจารย์สอนนักศึกษาปริยาเอกในคณะด้วยและได้เป็นที่ปรึกษาหาความรู้ที่ต้องการให้ได้เสมออีกทั้งเป็นตัวแทนในการติดต่องานและติดต่อกับบุคคลสาคัญเสมอมานั้นเพราะนี่ของหลานชายในอดีตหลานชายท่านนี้ได้สั่งสมปัญญาบารมีมามาก ชอบสนับสนุนการศึกษาให้วิทยาทานมามากและมักจะเข้าไปไต่ถามบัณฑิตนักปราชญ์เพื่อแสวงหาความรู้มาหลายชาติแล้วนิสัยคล้ายกันโดยบนนี้ยังส่งผนให้มาเป็นคนมีสติปัญญาฉลาดแหลมคมและก็ได้เคยเป็นญาติกันมากับท่านอาจารย์ในอดีตโดยมีศักดิ์เป็นหลานคล้ายชาตินี้และได้สนับสนุนหลานคนนี้ให้เจริญรุ่งเรือง ในการรับราชการในราชสำนักของพระราชาองค์ที่ออกบวชนี่หลานชายคนนี้ได้รับราชการในราชสำนักของพระราชาองค์ที่ออกบวชโดยเป็นราชบัณฑิตอราชบัณฑิตของพระราชาองค์ที่ออกบวชหลานชายคนนี้ด้วยบุญที่เคยเกื้อกูลมาจึงทําให้มาเป็นญาติกันอีกในชาตินี้และได้มาเกื้อกูลกันในปัจจุบันในชาตินี้อีกจ้าได้ดีก็มีสายบุญกมูคณะมา แต่ว่าหลานชายคนี้เป็นคนเจ้าปัญญาเป็นคนต้องการเหตุผลนักคิดเพราะฉะนั้นเนี่ยจะอธิบายนักคิดเข้าใจต้งค่อยๆอธิบายให้เข้าใจเรื่องราวของหมู่คณะเพราะนักคิดเดี๋ยวก็จะเอาไปวิเคราะห์นู่นวิเคราะห์นี่วิจัยวิจารณ์แต่ว่าผังเดิมมีอยู่สักวันหนึ่งก็จะเข้าใจ และก็จะเป็นกาลังสาคัญในการเผยแผ่พุทธศาสนาวิชาธรรมกายด้วยใช่ไหมคและดีที่สุดก็คือหลานชายเจ้าวิยาท่านนี้ <c oughs> ต้องนั่งสมาธิให้เลยจุดถึงความเป็นนักคิดไปสู่ความไม่คิด <c oughs> สู่แรงแห่งความไม่คิดสู่แรงแห่งความปลอดความคิดทําจิตเชิงสงบแล้วเดี๋ยวจะพบคําตอบของชีวิตอืม <c oughs> ผู้ช่วยดูแลสุขภาพทั้งสองคนได้รู้สึกคนคอยเล่ อ, อบอุนไม่เกี่ยวเลยก็อเอียวด้วยเมื่อเวลาพบปะสนทนานด้วยเนี่ก็จะทำให้ความกังวลใจนหมดไปนั้นพุทธนันท์ที่ผ่านมาทั้งสองคนได้เป็นทหารพระราชาวองค์ที่ออกบวชฝ่ายเสน า, นารักซึ่งได้รับมอบหมายให้ไปดูแลสุขภาพข้าราชการผู้ใหญ่ในแผ่นดินก่อน ซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือตัวท่านอาจารย์เองซึ่งมีอัธยาศัยต้องกันผังนี้ก็เลยติดตัวมาจ้าและในชาติปัจจุบันก็สามารถช่วยสนับสนุนงานใหญ่ของท่านอาจารย์ได้เราเคยทําบุญร่วมกันมาจ้าต่อมาภายหลังทหาทั้งสองก็ออกบวชตามพระราชาองค์ที่ออกบวช ด, ด้วยกันทั้งคู่มาบวชแล้วก็ทําหน้าที่เผยแผ่จนตลอดชีวิตมีผลการปฏิบัติธรรมได้เขาถึงดวงใสๆองค์พระใสๆ เอาตรอดกลับดูสิทธบุรีได้กัเขาเหมือนกันในลงมาสร้างบรมีได้ทั้งสองรอบจ้ า, าแต่ทหารคนหนึ่งในนั้นได้มาเป็นผู้หญิงเพราะมีนิสัยปากหวานหวานสเสนมีน้องหญิงมาติดเยอะอชาตินี้กามกาเมเจ้าชู้ที่มีน้องหญิงมากในชาติอื่นๆด้วย เลยได้ช่องมาทรงผล oh. สมปรารถนามาเป็นผู้หญิงเลยปากว่านมีสาวๆเยอะมีสาวๆมีน้องหญิง <c oughs> ชาตินี้ยังกวาน oh. ที่มีความก็เลยที่กับครูไม่หญ่เพราะเคยสร้างบุญร่วงกันมานับพพเท้าชาตไปทั่วแล้วจ้ะ oh. ชาตินี้มาเจอแล้วกันแล้วให้ตั้งใ่สร้างบารมีเต็มที่ในทุกบุญ เราติดฐารจิตตามติดพิธีศิบุรีวงมูลพิเศ ษ, ษเขตวัลลโมโพลิสัตย์จะได้พลัดกันเลยจ้าสาธุที่กับเป็นเรื่องราวของเคสสต๊ดดี้สั้นๆ ส, ส, สำหรับคืนนี้